ประมาณแล้วก็ถึงเวลาที่ท่านจะได้ปฏิบัติกันต่อไปด้วยแล้วก็ได้ฟังทำกันไปด้วยจากพระอาจารย์คึกติปโสคิทโลซึ่งจะนำเอาพุทธวจนะนั้นมาตอบคำถามของพวกเราทุกคนใน ว, วันนี้ก็มีคำถามของท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้หลายคำถามด้วยกันเดี๋ยวเรามานวัสนการท่านกันก่อนนะคะ จาะสำหรับคำถามแรกนี้จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ น, นะคะ mm hmm. ค่อนข้างยาวเดี๋ยวจะ mm hmm. ค่อยๆกราบเปลี่ยนท่านบอกว่าสำหรับผู้ที่ผู้ปฏิบัติที่เจริญสมาธิวงเล็บสมถะภาวนาอาณาปามาเป็นปี2ปีแล้วแต่สมาธิไม่ค่อยพัฒนากล่าวคือการนั่งสมาธิใช้เวลารวมในแต่ละครั้งอาจจะเป็น1ชั่วโมง แต่ช่วงเวลาที่จิตจดจ่ออยู่กับตรงหายใจต่อเนื่องแค่ครั้งละย0วินาทีบ้าง50วินาทีบ้างยังไม่เคยถึง3นาทีเลยค่ะเราอยากเรียนถามว่านักปฏิบัติจะข้ามขั้นไปฝึกวิปั ส, ป ส, ส, ป ส, สนาภาวนาคือเจริญสติปัฏฐาน4เช่นกายานุปั ส, สนาพิจารณาการเกิดดับหรือรูปนามขัน5ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเลยจะเป็นการข้ามขั้นตอนจนเป็นเหตุให้ไม่บรรลุภูมิธรรมใดๆได้เลยหรือไม่คะ แยกแะ ก, กันไปกลมากเกินไปะนะก็จริงๆแล้วใน <c oughs> ในในในส่วนตรงเนี้ย <c oughs> ขนาดที่เขาอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันก็เป็นกายานุปัสนาเป็นสมถะเป็นวิปัสนาอยู่ในตัวแล้วเสร็จแต่เขาไปแยกกันโอเองอออจริงๆแล้วมันก็อยู่ในตัวเสร็จ และการที่บอกว่า <c oughs> จิตไม่ค่อยเป็นสมาธิรวมในแต่ละครั้งอาจจะไม่กี่สิบวินาทีก็ไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็แค่นั้น <c oughs> ก็อย่าลืมที่พระเจ้าบอกเรื่องของความสามารถในการละอารมณ์แล้วดึงกลับมาจิตยอมฟุ้งก็จริงนะแต่ถ้ายมดึงกลับมาได้เร็วก็ชื่อว่ามีความสามารถ ถึงแม้มันจะตั้งมั่นอยู่กับที่ไม่ได้นานเพราะว่าไอ้พวกสัตว์หชนิดเนี่ยมันยัง ม, มีกำลังมากอยู่ที่ตรงเปรียบเหมือนการที่เราเอาสัตว์6ชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเปลื่นเสาหลักขณะที่มันยัง ม, มีกำลังมากอยู่เนี่ยมันไม่มีทางสงบนิ่งอยู่หรอกซึ่งมันจะเป็นปีเป็นห้าปีสิบปี20ปีมันไม่มีใครบอกได้ว่าเหตุปัจจัยของคนคนนั้นเนี่ยจะต้องใช้เวลาสักกี่ปี เพราะฉะนั้นคนคนั้นเนี่ยจะต้องอประทานตรงเนี้ยโดยหลักการพระศาสนาเนี่ยไปเรื่อยๆรืแล้วถามว่าจะต้องไปเริ่มวิปัสนาอลไรเมื่อไหร่ขณะนั้นก็มีวิปัสนาแล้วในตัวขณะที่จิตเขาเคลื่อนออกไปกลับมาเคลื่อนออกไปกลับมาทุกขณะเนี่ยยี่สิบวินาทีห้าสิบวิที่เขาทําได้มันเป็นวิปัสนาในตัวเสร็จขณะที่จิตเคลื่อนออกไปปั๊บแล้วเราออกลับมาได้นั่นแหะให้เราเห็นเลยว่าเนี่ยลม เกิดดับนามธรรมเกิดดับลมคือลูกผู้เจ้าตรัสว่าลมหายใจเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งนั่นก็คือรูปดับนามเกิดมีสติดึงกลับมานามดับลูกเกิดวิปัสสนาก็อยู่เคียงคู่กันตลอดเวลาผู้เจ้าจึงบอกตัวอนาปารเนี่ยเราทําอย่างนี้สมถะและวิปัสสนาจะเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟน้นนี่เพราะเราไม่เห็นแง่มุมความแยก่ายที่พระศาสดา อธิบายถึงอานาปาณสติกก็เลยทําให้มองมองเป็นเรื่องยากไปมองว่าจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนว่าจะต้องนิ่งมากขนาดนี้แล้วถึงจะค่อยไปทำไปนั้นมันทําได้เลยพร้อมๆกันมันไม่ต้องมีระเบียบขั้นตอนไหลมากขนาดนั้นนะอย่างเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเราไปฟังสาวกพูด<ม>เยอะเนี่ยมันจะสับสนอย่างเนี้ยนะเราสั่งสมสุตตะแต่คําตถาคตจะเห็นว่าง่ายมากนะ ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากอะไรอยู่ที่ว่าถ้าเราเห็นก็คือเห็นถ้าเราไม่ไม่เห็นไม่สังเกต ท, ทั้งที่มันมีอยู่เกิดกับให้เราเห็นเราก็จะไม่เห็นเหมือนกั น, น <c oughs> เสติประธานทั้งสี่เนี่ยกายานุปัสสนาเวทนาจิตตาธรรมามีอยู่ในการเจริญอนาปาคครบถ้วนแล้วจิตที่รู้ลมหายใจเนี่ย ใครสังเกตเห็นลมไหลเข้าไหลออกก็เป็นกายานุปัสสนาใครสังเกตเห็นว่าจิตเรากําลังรู้ลมเป็นจิตตานุปัสสนาใครเห็นถึงเวทนาเป็นอุเบกขาว่าเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยไม่ได้สุขทุกข์อะไรก็เฉยๆเนี่ยเป็นเวทนานุปัสสนาใครเห็นจิตที่รู้ลมเนี่ยเคลื่อนออกไปไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนจางคลายอันนี้เป็นธรรมานุปัสสนาซึ่งพระศาสดาเนี่ยอธิบายด้วยพระองค์เองว่าอนาปาเนี่ยเป็นสติปัฏฐานสี่ยังไง นั้นตรงนี้เราต้องไปดูพระสูตรนี้เราถึงจะเข้าใจนะส่วนการเห็นขันธ์ห้านะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เห็นได้เลยเดี๋ยวนั้นเหมือนกันลมหายใจเนี่ยคือรูปเรารู้ตั้งอยู่ห้าสิบวิหายไปก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนี่ไงรูปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปรูปดับไปแล้วนามธรรมเกิดขึ้นเพลินไปสักสิบวินาทีก็เนี่ยนามธรรมก็เกิดขึ้นตั้งอยู่สิบวินาทีแล้วหายไปแล้วก็ดับ ลูกก็เกิดอีกอย่างเนี้กลับไปกลับมาอย่างนี้ความเป็นอนาัตตาก็สามารถเข้าใจได้ทันทีว่าสรรพสิ่งในโลกเนี้ยมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปไม่ใช่ตัวตนจริงอะไรเป็นตัวตนชั่วคราวนะก็นั่นก็คืออนัตต า, านั่นเองค่ะก็เท่ากับว่าที่ท่านพูดเป็นเจ้าของคําถามนี้ทํา huh. อยู่น่ะก็คือสิ่งที่ถูกต้องแล้ว huh. เพียงแต่ว่ายังเห็นไม่ถูกต้องเข้าใจผิดคิดว่าไม่ใช่อนะคะแล้วก็เลยทําให้เกิดความท้อแท้ใช่ใช่จริงๆทําถูกอยู่แล้ว ถ้าทําดีอยู่แล้วค่ะท่านอาจารย์คะทีนี้คนปฏิบัติทั่วไปเนี่ยการกังวลแบบนี้มันก็อาจจะทําให้มันเหมือนยังไงบั่นทอนกําลังใจเพราะเราไปฟังใครคําพวกเนี้ที่เขากังวลเนี่ยเกิดมาจากเหตุปัจจัยอะไรวันนี้ถ้าจะให้คิดใหม่ให้คิดอย่างไรคะท่านความกังวลจะได้หายไปแล้วก็จะได้เดินไปเรื่อยๆก็คือคิดอย่างที่ผู้เจ้าบอกเราต้องรู้สิเหตุปัจจัยอะไรเป็นเหตุให้เรากังวลเพราะเราไปฟังใครมา ใครบอกว่าจะต้องแยกรูกน้ํากันอะไรต่ออะไรเป็นขั้นเป็นตอนขนาดนั้นเป็นบทพันธนภา菩萨ธรรมาไม่ใช่เมื่อไม่ใช่เนี่ยเรากลับมาที่บทพันธนภา萨าสดาทําเท่านี้เห็นเท่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยเราก็ละนันทิสไปเรื่อยๆเราตรวจดูสิเราก็ละนันทิสเ ร, เราก็ตั้งไว้ซึ่งกายยากตาสติเราก็สร้างสติการละลึกได้นะละความเพลินตั้งไว้ซึ่งกายยากตาสติทําตรงตามทุกเจ้าบอกหมดเลยไม่มีผิด ไม่มีผิดก็เดินไปเลยเดินอย่างนี้เดินไปเรื่อยเรื่อยอย่างนี้คือฉันว่าน่าจะสบายใจขึ้นจริงๆแล้วก็ใจชื้นย้อนหลังกลับไปเลยโอที่ทํามาตั้งนานสองปีนี่ก็โอเคมันไมแล้วเยอะไม่ไม่มีไม่ได้หรอกนะเพียงแต่ต่อจากนี้ไปนะคะเมื่อฟังจากที่ท่านอาจารย์ซึ่งเป็นพุททวจนะแล้วเนี่ยก็จะทําให้ท่านได้รู้ว่าใจแยกแยะ ทำความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วที่ทําอยู่แล้วนี่ ใ, ให้ถูกต้องอย่างไรแล้วก็ขอให้มีกําลังใจต่อไปไม่ต้องไปเร่งใช่หมครับท่า น, นจริงๆก็ทําถูกแล้วดีแล้วก็เดินมาดีแล้วทำซ้ําอย่างเดิมต่อไปแค่นั้นเองเปลี่ยนมุมมองอ ถ, ถูกต้องต่เท<ถ><อ>่าจหร่คะทีนี้ถ้าสมมติเกิดเนี่ยบอกว่าสมาธิมีอยู่20ิวิบ้าง50วิบ้างสนาทีบ้างแล้วมันเกิดกลับมาอยู่20วิ กลับไปอยู่สิบวิแค่นั้นอันนี้ถือว่าเสียหายไหมคะเวลามันก็อย่างเนี้แหละกลับไปกลับมาช่วงแรกๆมันจะเป็นอย่างเนงงี้เหมือนบางทีเหมือนทําไม่ได้เลยนั้นเมื่อมันยังไม่คงที่มันขึ้นๆลงๆเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้อยู่อย่างเนี้เนะี่ยเป็นปีนั่นแหละนะอย่าเพิ่งไปท้อใจทําไปเรื่อยๆทําไปทําไปเย่อมลองดูว่าเราสั่งสมกี่เลยนะมากี่แสนกี่ล้านปีเดยวงมาใช้เวลาทั้งร้อยปียังถือว่าเร็วมาก สั้งสวรรคยาวไกลขนาดไหนโยงมาปั่นแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยล้วเราจะให้สําเร็จมันไม่ง่ายเหมือนกันน ะ, ะบางทีความอยากเราเนี่ยแซงหน้าเกินไปเกินเหตุปัจจัยตามความเป็นจริงไงใช่ไหมงั้นเราก็ทําไปตามเหตุปัจจัยที่บอกว่ากลับมาเช็ฟที่พระเจ้าตัดเมื่อเราทําตรงตามพระเจ้าแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกังวลไงนะคะก็เชื่อว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ได้ความรู้และเจ้าของปัญหาเนี่ยฉันคิดว่าเหมือนกับยกเรียก อ, อะไรนะคะ เ ส, เส้นผม uh huh. ที่มันบงังภูเขาอยู่นี่ออกไปนะคะก็ขอให้ท่า น, นสามารถไปต่อมีกำลังใจในการที่จะเดินไปด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง uh huh. ตามคำสอนของพระศ า, าสดามีคำถามอีกอันนี้เป็นของคุณพงสธรเหล่าสกุล น, นะคะแล้วก็ดิฉันเข้าใจว่าต้องรีดถามเดี๋ยวเผื่อท่านไม่มีเวลานั่งฟังในส่วนอื่นๆของเราคาถามเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาคะ่ะว่ามีเหตุใดที่ทาให้มีปัญญามาก ถัดมาเป็นเรื่องทรัพย์เหตุให้มีทรัพย์มากเป็นอย่างไร <c oughs> และสุดท้ายอา น, นิสงส์ของการเจริญอา น, นิจจังขอถามคําถามแรกก่อนกันแล้วกันนะคะเห็นที่ทําให้มีปัญญามากาค่ะท่านคะเหตุที่ทําให้มีปัญญามากก็เราต้องรู้ก่อนว่าปัญญาคืออะไรนะเดี๋ยวจะไปคิดปัญญาในทางโลกต้องคิดเยอะๆเนีย่ยต้องผ่าตัดเป็นต้องจบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรไม่เกี่ยวกัน ปัญญาในทางพุทธศาสนาคือปัญญาเห็นสัจจะแห่งการเกิดและการดับใครเห็นเกิดเห็นดับสมุทัยกับนิโรธชื่อว่าผู้นั้นมีปัญญาแล้วนะแค่นั้นเองพระเจ้าตรัสไว้ว่าเครื่องวัดศรัทธาคือไรเครื่องวัดความเพียรคือไรเครื่องวัดสมาธิคือไรเครื่องวัดปัญญาคือไรศรัทธาวัดจากโสตตาปเตียงคสี่ความเพียรวัดจากสมมาปทานสสมาธิวัดจากฌานหนึ่งสอสามเข้าได้ไหมนะ กำลังของสมาธิกำลังของปัญญาบัดจากการเห็นสัจจะแห่งการเกิดและการดับ <c oughs> นั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าปัญญาทํำยังไงเราก็มาสร้างเหตุก็มันเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับเรื่อยๆเดี๋ยวปัญญาได้แน่นอนปัญญาในที่นี้ก็จะเข้าใจอะไรเข้าใจอนัตตาว่าทุกอย่างเนี่ยในโลกเนี่ยมีเกิดแล้วก็หายไปเกิดมาแล้วก็หายไปไม่มีอะไรถาวรชีวิตเราก็ไม่ถาวร ต้นไม้ปูขาวแม่น้ำลำธารดวงดาวทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงนามธรรมทั้งหลายสุขเกิดมาก็ไม่ถาวรทุกเกิดมาก็ไม่ถาวรคิดอดีตไปก็ดับกรุงแตงนาคตไปก็ดับเกิดดับหมดอย่างนี้นั่นนี่ได้ปัญญาแล้วจากประเด็นเดียวมีสมาธิฏิเป็นองค์นำหน้าคือเห็นอริสัะเห็นเกิดดับนั่นเองนั้นใครมุ่งมีสมาธิฏิเป็นองค์นำหน้านั่นแหละคนนั้นกําลังมีปัญญา เรื่องของปัญญาก็เท่านี้ค่ะเหตุที่ทําให้มีปัญญามากถ้าตอบแบบฟันธงก็คือการที่เห็นอริยสัจหรือสมาทิฏฐินั่นเองนะคะการเห็นอริยสัจหรือสัมมาทิฏฐินั่นเองจะทําให้มีปัญญามากแล้วก็ไม่ใช่ปัญญาแบบที่เขามีกันอยู่ซึ่งต่อให้เลื่อนยังไงก็สู้ปัญญานี้ไม่ได้นะคะก็ถ้าทำได้แล้วเนี่ยดิฉันว่าจะเป็นผู้ที่ สามารถที่ไหนถ้าภูมิใจมากนะคะว่ามีปัญญาเหนือทุกคนทีนี้มาถึงเรื่องรวยค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากรวยฟังให้ดีนะคะเหตุที่ทำให้มีทรัพย์มากกันไคะเหตุที่ทาไม่มีทรัพย์ก็จะกลัดไว้หลายหลายนัยยะหลายเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยหนึ่งที่บอกกับพระนางมาริกาก็คือเรื่องของการที่ มีการให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานพานะนะประทีปพรมไฟของหอมนะเครื่องรูปปลายทาแก่สมณะปราบนะอันนี้เป็นเหตุให้เกิดโภคทรัพย์นะสินก็เป็นเหตุให้เกิดโภคทรัพยนะ์สมาธิก็เป็นเหตุให้เกิดโภคทรัพย์นะในพุทธวจนะที่พงศ์บอกว่าเธอปรารถนาอะไรเอกรากปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงยศิริยศนะต้องการอะไร ให้ทําศีลให้ดีไม่เหินห่างจากสมาธิประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาให้สุญญาคละวัตงอกงามเห็นหนะศีลก็ได้สมาธิก็ได้ปัญญาก็ได้เป็นเหตุให้เกิดพกพกษัตรย์ได้หมดนะหรือพระองค์ตรัสว่าพระองค์เกิดมาในพบชาติใดๆเนี่ยห้นะอยไปเก้าสิบ็ดกับไม่เคยตกต่ําเลยเป็นมนุษย์ก็เป็นพระราชาหม า, หากษัตริย์เป็นเทวดาก็เป็นจอมแห่งเทวดาเป็นพรมก็เป็นหมาพรม พรองบอกว่าพระองค์มีการกระทำสามอย่างคือมีทานการให้สองมีธรมะความผ่อนใจสมมีสัญญมณความสํารวมระหว่างสามอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดปกทระซับและชีวิตไม่ตกต่ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>เหตุที่มีทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างที่ปฏิบัติตามธรรมล้วนเป็นเหตุอย่างนั้นแล้วค่ะถ้าที่คุฟังอยู่เพราะว่า ถ้าจะพูดแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรที่เป็นมัตยท่านเคยสรุปว่าสั้นๆน่เป็นศีสมาธิปัญญานี่ก็ดูเหมือนกับมีอยู<ช>่ครบเพราะฉะนั้นปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์ท่านมีโอกาสที่จะมีทรัพย์แน่นอนนะคะแล้วก็แถมยังไม่ต้องตกต่ําในที่ใดๆอีกเลือกมีศีลอย่างเดียวได้ไหมคะท่านเลือกมีศีลอย่างเดียวทําให้มีซับไหมหรือว่าต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิของอ ย, ยังได้อย่างหนึ่งก็ได้ตามเหตุปัจจัยคะ คนนั้นเกิดมาในตระกูลที่เป็นที่ผู้เจ้าบอกว่าเป็นจันททานเป็นคนเทขยะอยากเยื่ออยากย่ายอะไรอย่างนี้นะก็เขาไม่มีทรัพย์มากก็ให้รักษาสินไปการรักษาศินสินเนี่ยเป็นมหาทานชั้นเลเวอยู่แล้วสินห้าเนี่ยการไม่ฆ่าสัตว์ผู้เจ้าบอกเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณเป็นอภัยทานอเวลทานอภัยประชาาน การไม่ขโมยก็เป็นการให้ทานทรัพย์อย่างไม่มีประมาณเหมือนกันคแง่มุมนี้เนี่ยเราไม่ค่อยจะเห็นเนี่ยหรือการทําสมาธิเนี่ยขณะที่เราทําสมาธิเนี่ยศีลบริบูรณ์โดยอัตโนมัตินั้นสมาธิจึงเป็นเหตุให้เกิดโภกทรัพย์ได้เหมือนกันถ้าอาจารย์คะพูดถึงการทําสมาธิทําให้ศีลบริบูรณ์ได้เนี่ยเราจะต้องเป็นผู้อธิษฐานหรือว่าจะต้องเป็นผู้ที่ได้กล่าวอะไรออกมาไหมคะว่า ในขณะที่ทําสมาธิข้าพเจ้าจะรักษาศีลด้วยเหมือนกับเป็นสมาทานอีกอย่างหนึง่งเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรารักษาศีลด้วยเระหวังผล น, น, นะคะเราอยากรวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราจําเป็นไหมคะหรือว่าไม่ต้องหรอกก็นั่งสมาธิไปได้ไเองไ ม, ไม่จําเป็นเพราะขณะที่โยมจิตเป็นสมาธิเนี่ยกายวาจาโ ย, ยมไม่ได้ปิดอะไระมันก็จะเป็นศีลในตัวของมันอยู่แล้วนั้นขณะที่คนปารบความเพียรเนี่ยเพื่อจะให้จิตหลุดพ้นเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญามันรวมอยู่ในขณะจิตเดียวอยู่แล้วพรบด้วย นะคะอันนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกง่ายเข้า uh huh. ไม่ต้องขอก็ได้แปลว่า uh huh. อ, อย่างนั้น uh huh. ใช่ไหมครใช่เราสร้างเหตุถูกต้องกอค่ะถ้าอาจารย์คะทีนี้อย่างกับคนที่เขาไม่มีโอกาสที่จะมานั่งสมาธิแบบนี้ uh huh. แต่ถ้าท่านบอกว่าจิตอธิษฐานการงานทําจิตให้เป็นสมาธิในขณะทํางานต่างๆก็ได้ผลเช่นเดียวกันไหมคะได้ผลเช่นเดียวกันพพุทธเจ้าก็บอกว่า ตัวสติอธิษฐานการงานเนี่ยเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเหมือนกันตัวนาปาก็เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะการที่คนคนหนึ่งแม้นอนอยู่แต่ถ้าทิ้งความคิดอกุศสเรื่อยๆก็เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะชื่อว่าเพียนเผากิเลสอยู่ตลอดค่ะไม่ทําอะไรจะแค่ได้ป่วยทําอะไรไม่ได้อย่างนี้<ล>ทิ้งความคิดอกุศสความคิดอกุศลนะคะถ้าท่าน มญาติพี่น้องหรืออาจจะเป็นคนป่วยไข้อยู่ก็ได้ทํำอะไรไม่ไหวแล้วรู้สึกตัวเองไม่มีประโยชน์กับใครเลยเนี่ยก็ลองใช้วิธีทิ้งอกุศลไปเรื่อยๆนะคะได้ประโยชน์กับตัวเองแล้วคนรอบข้างเขาก็พลอยได้จากเราด้วยนอนเฉยๆอย่างนี้รวยเลยสิครัท่านค่ะก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> ดได้ท่านให้ปฏิบัติเป็นมหสัสจรรัลนะคะอันนี้ท่านก็ต้องลองไปปฏิบัติแต่ว่าถ้าคิดให้เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยพระพุทธองค์ไม่มีทางตรัสอะไรเป็นสิ่งที่มัน ไม่มีที่ไปที่มา uh huh. ถึงเวลาคิดเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเป็นไปได้จริงจมาถึงเรื่องของอานิสงค์ของการเจริญอนิจจังใช้คําว่าเจริญอนิจจังเนี่ย uh huh. ได้ไหมคะ อ, อก็ได้อยู่เรียกว่าการเจริญอนิจจสัญญาห oh, <okay. S 2> ลวงบอกว่าอานิจจสัญญาที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วเนี่ยย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่มีอมาตะคือความไม่ตายเป็นที่สุดนะ เวลาจะดูว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลของการเจริญอนิจจงเนี่ยบุคคลนั้นจะต้องรู้สึกเหมือนว่ามีเพชฌฆาตเนี่ยเนื้อดาบอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลาค่ะนั่นเรียกว่าบรรลุผลแห่งการภาวนาอนิจจงนะคือพร้อมตายได้ตลอดเวลานะจะต้องรู้สึกขนาดนั้นรู้สึกว่ามันเสียวจ ะ, ะ <laughs> <laughs> เขายืนอยู่ข้างหน้าแต่แตวา่าเรายัางยังไม่รู้สึกขนาดนั้นเนี่ยแสดงว่า บุคคลนั้นเนี่ยยังไม่ได้บรรลุผลแห่งการภาวนาในเรื่องของอนิจจังท่านะคะอย่างนี้หมายความว่าทํำยังไงครับพิจารณาหมายถึงจเจริญอนิอนนจจสัญญาก็คือเห็นอะไรก็รู้สึกปลง n ไปหมดอย่างนี้หรอครับใช่ใช่<ม>ก็เห็นอะไรจะเห็นเห็นลึกไปถึงความความแปลเปลี่ยนและความดับของมันมว่าที่สุดเนี่ยมันมีความดับไปทั้งสิ้นนะคะได้ของใหม่มาแล้วก็เห็นนะพังแนละ้ว ซื้อบ้านมาก็โอ์บ้านพังแซื้อรถมาโอมรถพังแล้วได้เพื่อนมาก็องค์เพื่อนต้องตายไปแล้วเราเกิดมาก็เห็นละความตายมีอยู่ทุกขนาดแต่ถ้าท่านอาจารย์พูดบอกว่าพุทธองค์ตรัสว่าต้องให้เห็นว่าเสมือนกับมีเพศชาตอยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้าเราไปคิดถึงอย่างอื่นคิดถึงเพศชาตยากนะคะท่านอาจารย์คือเหมือนกับว่าถ้าเราไม่คิดถึงตัวเองอ่ะว่าตัวเองต้องตายมันก็จะเห็นเพศชาตยากสิคะ งไง ค, คือเหมือนกับว่าท่านบอกว่าถ้าจะรู้ว่าการพิจราจรณาอนิจจสัญญาของเราเนี่ยมันดีแล้วหรือยังใช่ไหมคะให้ดูจากการที่เรารู้สึกได้เหมือนกับว่ามีเพชฌฆาติอยู่ข้างหน้าเราตายได้ทุกขณะเลยหรืเอเปล่าทีนี้ดิฉันเลยกลับเดี๋ยนถามท่านว่าในเมื่อท่านพูดบอกว่ า, เ, าเห็นอะไรก็แล้วแต่ให้คํานึงถึ ง, งความไม่เที่ยงเช่นได้ของมาชิ้นหนึ่งก็ให้คิดถึงตอนพังไปเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้เราคิดถึงเพชฌฆาติยากมันก็หลักการเดียวกันเนี่ย เพราะเพชฌฆาตก็จะทําให้เราตายเราเห็นของก็คือเราเห็นการตายของมันเห็นการเสื่อมของมันการดับของมันเห็นทุกอย่างเลยจิตรับรู้ตรงไหนตรงนั้นจะเห็นอนิจจังจิตรับรู้ตรงไหนจะเห็นอนิจจังจิตมารับรู้กายเห็นกายเป็นอนิจจังจิตรับรู้อย่างอื่นเห็นอย่างอื่นเป็นอนิจจังหมายความว่าด้วยด้วยกรณีต่างๆกันแต่ให้นึกไปถึงเพชฌฆาตให้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันคล้ายๆกันนะคะอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นเรื่องของ การเจริญอนิจ <kannst> จังอานิสงส์ใหญ่นะคะให้ถึงกับความไม่ตายเป็นที่สุดได้ก็คือเป็นอมตะก็หลุดพ้นอย่างนั้นหนึ่งไหคะใช่ใช่เห็นอะไรตรงเป็นหมดเลยที่อมตะเป็นชื่อแทนนิพพานค่ะอมตะชื่ออีกทีก็คือนิพพานเห็นผู้หญิงสวยๆเดินผ่านมาเห็นเห็นเน่าปั๊บแล้วก็จบเลยอย่างนั้นนะคะใช่สายเป็นธาตุดินน้ำไปล่ไปต้องเห็นขณะนั้นค่ะแต่ว่าอันนี้ พูดไปอาจจะฟังเหมือนฟั ง, ฟงแล้วตลกจริงไม่ใช่นะคะนี่พูดเรื่องจริงถ้าอาจารย์คะทีนี้เมื่อวานเนี่ยดิฉันจำได้ว่ากลับเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของว่ามนุษย์เราเนี่ยสุขทั้งปวงสุขมาแล้วทุกข์ทั้งปวงทุกข์มาแล้วท่านฝั่งทางบ้านก็ท่านผู้ชมทางบ้านก็คงอยากจะทราบนะคะว่ามันจริงหรอเนี่ยโอ้เราเคยเป็นใครเดียวเอาแค่มหาเศรษฐีก็พอ<ม>เราเคยเป็นอย่างนั้นมาเลยเหรออย่างนั้นเลยหรือเปล่า ใชจริงๆแล้วพระศาสดาบอกเราเคยเป็นมาหมดนะเคยเห็นคนร่ํารวยเนี่ยก็ให้รู้ถือว่าเราก็เคยรวยมาแล้วตลอดกาลนา น, นเห็นคนเคยจนก็เหมือนกันก็ให้รู้ถือว่าเราเคยจนมาแล้วตลอดกาลนานเช่นเดียวกันเห็นคนพิการเนี่ยเราก็เคยพิการมาแล้วตลอด น, น้ําตาที่เคยร้องไห้เนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่นั่นคือโอ้โหเราเกิดแก่เจ็บตายขนาดไหน เลือดที่เคยไหลออกจากคอเพราะถูกตัดคอก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ mm hmm. เคยถูกตัดคอเพราะเธอเคยเกิดเป็นพวกแพะแกะไก่สกรช้างโคโมาลาอย่างเนี้ยแล้วก็ถูกเขาฆ่าแล้วตัดคอทีน mm hmm. เป็นจํานวนมากเคยเกิดเป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเกิดเป็นพ่อเป็นแมน่เป็นผู้หญิงผู้ชายก็เกิดมากบหมดแล้วเพราะผูทงปรักอย่างนี้เพื่อที่จะบอกอะไรเราก็ท่านครับ เพื่อจะบอกว่าสังสารวัตเนี่ยยาวไกลมากและเราก็เคยเกิดแก่เจ็บตายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วคนคือใ ห, ให้เบื่อหน่ายในสังสารวัตว่าสังสารวัตรเนี่ยไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์อะไระถ้าเราอยากได้การเกิดจะได้การตายตามมาด้วยทุกครั้งที่เราต้องการการเกิดการตายจะตามมาแก่เจ็บตายตามมาทุกครั้ง อันนี้คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาควบคู่กันตลอดเลยเวลาสิ่งนั้นเนี่ยมีความแตกสลายความเสื่อมความสิ้นไปเราจะได้ไม่ทุกข์นะครับก็เท่ากับว่าถ้าถ้าเราศรัทธาพระพุทธองค์พระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าในสิ่งที่อยู่ที่เฉยเราคิดไปไม่ถึงแน่เลยนะคะคือคิดว่าชาติสองชาติสามชาติเรายัางคิดว่าบางคนเชื่อบางคนนี่แถมยังรู้ต่างหามีคนมาบอกบอกว่า ครั้งที่แล้วนี่เคยเป็นเจ้าแม่นู้นเคยเป็นอะไรตรงนี้อะไรมาแต่ว่าจะคิดว่าชนิดที่เกิดเป็นมาครบทุกอย่างแม่คิดไม่ออกมันเปนนะคิดไม่ออกเลยค่ะท่านค่ะโอ้เป็นแล้วคำว่าทุกอย่างนี่มันกว้างจังเลยนะคะกว้างมากกว้างมากเราเคยเป็นใช่เดือนกึกกืองี้เป็นมาหมดเลยอเป็นสรนนรกเป็นเทวดาก็เคยเป็นมนุษย์ก็เคยมนุษย์ดีเลว ที่ปลาถาสารพัดอย่างโยมคิดดูว่ามนุษย์เนี่ยเกิดยากขนาดไหนแต่เราเป็นมนุษย์มากี่แสนกี่ล้านครั้งจนน้ําตาเป็นมหาสมุทรเนี่ยเจ้าจางคันเองเมื่อดิฉันเองไม่รู้จะเรียกเป็นหน่วยอะไรเหมือนกับสมมุติวันเนี้ยเราเป็นเราแบบเนี้ยเป็นดิฉันเนี่ยแล้วท่านบอกว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นอะไรมาแล้วสารพัดเลยความเป็นดิฉันจะเรียกว่าอะไรดีล่ะเป็นเป็นจิตเป็นดวงวิญญาณอะไรก็ไม่ใช่วิญญาณก็ไม่ใช่เรียกวิญญาณก็ผิดน่ะ พร่อผู้เจ้าบอกสติว่าไม่มีวิญญาณเวียนไหวตายเกิดนะเราเข้าใจผิดพระศาสดาเรียกตรงนี้ว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องขูก <Okay. S 1> มันมีสภาวะหนึ่งที่มีอวิชชาความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องกั้นเรา <Okay. S 1> และมีตัณหาความอยากเนี่ยเป็นเครื่องยึดติดอยู่ในภพทําให้เราเพลิดเพลินต่อภพนะ <Okay. S 1> เพลิดเพลินต่อการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้มี ภาษาบางหน้าคือภาษาเปรเรโตนะไม่เข้าใจในภาษะมีความเห็นผิดในภาษาคิดว่าภาษะสัมผัธอยังเป็นเราเมื่อมีความเข้าใจผิดอย่างนี้เนี่ยก็เลยเลยยึดติดในภาษะได้ภาษาที่ดีก็ดีใจภาษาที่ไม่ดีก็เสียใจนะก็เกิดดับอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีสุขมีทุกข์ไปเรื่อยๆนะหาที่จบไม่ได้เพราะไม่รู้อุบายเครื่องออกจาก สังสารวัตนี้ตามที่เป็นจริงคือเหมือนกับว่าทรงจะทรงชี้ให้พวกเราเห็นว่าผู้ที่มีตัณหาเป็นเครื่องอะไรนะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเรียกเรว่าเป็นเหล่าเลยไหมท่านบอกไม่ให้เรียกเป็นจิตไม่ให้เรียกเป็นอะไรจะเรียกว่าสัตว์นะสัตว์ผู้มีสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกสัตว์เลยนะคะเพราะว่าพรหมก็เรียกว่าสัตว์นะคะ ผู้เจ้าบอกนิยามของคำว่าสัตว์เนี่ยว่าสัตว์คืออะไรผู้ที่ยังยึดติดหรือติดข้องอยู่ในขันทาเนี่ยเรียกว่าสัตว์ทั้งหมดเลยนั้นผู้หลงผู้เนี่ยก็คือสัตว์ที่กาลังเวียนว่ายตายเกิดเพราะการมีอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นเราค่ะแล้วก็ส่งชี้ให้เห็นว่าอย่าไปท้าทายกับสังสารวัตรท่านก็ทำไมมันขึ้นลงสูงมากสมมุติท่านบอกว่าเนี่ยเคยเกิดเป็น อาจจะเกิดเป็นพระราชาก็ได้หรือเกิดแน่นอนครั้งหนึ่งในต้องเคยเป็นแล้วตกต่ําไปเป็นไสเดือนกิ้งเกืรอย่างเงี้ยค่ะท่านค่ะทำไมมันขึ้นลงมากเหลือเกินก็ขนาดจิตมันไม่มีความแน่นอนเนี่ยคุณเจ้าก็ยังบอกไม่ใช่แค่พระราชาเป็นเทวดาเป็นพรมเนี่ยเมื่อเท้าเธอทําการละแล้วเนี่ยก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกัมเดชารนไปวิสัยเคยเป็นเทวดาก็หล่นมาได้นะอันนี้จังเหมือนกันครับแปลว่า ชีวิตนี้ประมาณไม่ได้อย่าคิดว่าวันนี้เอาแค่นี้ก็พอแล้วได้แค่นี้ก็พอแล้วห ร, หรือพระองค์อุปมายอย่างนี้อีกเหมือนว่าลุงบอกว่าซัดไม้ท่อนหนึ่งขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาปลายลงบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวก็เอาท่ามกลางลงไม่มีความแน่นอ น, น, นชีวิตของผู้ที่ต่ำประสดาบันเนี่ยขึ้นๆลงๆอยู่อย่างเนี้ยครับ ย่เล็กจดใหญ่เลยประทับใจมากก็เป็นเรื่องที่ว่าดังนั้นท่านจึงชวนให้เราเบื่อหน่ายในการที่เราจะต้องขึ้นขึ้นลงลงอย่างไม่รู้จักจบเช่นนี้นะครับท่านมีความรู้สึกว่าเกิดความกลัวจริงๆใช้คําว่าความกลัวนะถูกไหมคะคือฟังแล้วควรจะกลวต้องเกิดความเหมือนกับสลดสังเวชเบื่อหน่ายเกิดนิพิทาเบื่อหน่ายในสังสารวัตนะ ก็คือไม่ได้เกลียดนะไม่ได้รักไม่ได้เกลียดอะไรแต่รู้สึกว่ามันมันน่าจะเพียงพอแล้วหรือเปล่า<ช>ต่อการที่เราเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นเวลาช้านานค่ะเกิดนิพิทาคือ <Grey. S 2> ค, คอวามสลดสังเวชเมื่อได้มีความรู้ว่าเกิดมาแล้วมีสุขอย่างนี้เกิดมาแล้วมีทุกข์อย่างนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดสักทีใช่ในะคะ ท่านคะถ้าเราไม่รู้ตัวเลยแล้วปล่อยไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยมันจะเป็นยังไงคะอืมมันก็จะมีความทุกข์ทุกครั้งที่มีการเกิดค่ะนั้นทุกชีวิตที่เกิดมาเนี่ยไม่มีใครไม่มีความทุกข์โปรงบอกโปรงไม่เห็นผู้ใดไม่มีความทุกข์แม้ชั่วขณะจิตเว้นผลหลานศีนานศกเท่านั้นนะนั้นทุกคนจะเป็นพระราชาเป็นขอทานเป็นเทวดาพรหมทุกหมดเลยมีความทุกข์หมด เพราะว่าทุกอย่างมีความเสื่อมไม่มีใครคาดหวังสิ่งที่ถาวรได้ในโลกนี้พระเจ้าจึงบอกว่านัตตินุโคตันกินจิโรกัสมิงยมมาหังอุปาทิยมาโนโนวชวาสามก็คือในโลกนี้เนี่ยไม่มีสิ่งใดๆเลยที่เมื่อเธอเข้าไปยึดถืออยู่จกเป็นผู้หาโทษไม่ได้เรายึดอะไรสิ่งนั้นมีโทษหมดเพราะมันเสื่อมหมดเเราหวังจะโออยู่ตรงนี้นานๆสักพักมันก็เริ่มเสื่อมเริ่มแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนไปเรื่อย ไม่มีอะไรคงที่ในโลกนี้หวังความถาวรไม่ได้ใช่เราะฉะนั้นคําว่าถาวรเป็นคําชั่วคราวก็เป็นชั่วคราวอย่างนี้กันอันนี้น่าคิดมากในเมื่อถ้าภาษาโลกเนี่ยมันมีจริงๆถูกไหมคะคำว่าถาวรแต่ว่าถ้าพอมาฟังภาษาธรรมที่เป็นพุทธวจนะแล้วปรากฏว่าถาวรของเราเป็นชั่วคราวเป็นสิ่งชั่วคราวเป็นสิ่งชั่วคราวถ้าต้องการความถาวรท่านบอกไม่มีอะไรถาวรเลยนิพพานในถาวรไหยคะ นิพพานเนี่ยถาวรเพราะอยู่คนละคนละระบบกับขันนะธ์ห้าธรรมชาตินี้ถาวรเพราะไหลเพราะธรรมชาตินี้เกิดไม่ปรากฏธรรมชาติที่ไม่ถาวรเนี่ยเป็นเหตุเพราะว่าเกิดปรากฏนั้นธรรมชาติใดก็ตามมีการเกิดปรากฏที่เรียกว่าอุปาโทปัญ ญ, ญาญติธรรมชาตินั้นจะไม่ถาวร พ, พระองค์จึงให้สแสวงหาธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดปรากฏก็คือนิพพานนั่นเองมันจะถาวร เพราะถ้าไม่เกิดก็คือไม่เสื่อมไม่เสื่อมก็คือไม่ดับเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายนั่นเอง ค, คือมันเป็นความไม่ตายมันจึงถาวรเพราะมันมันอยู่ของมันอย่างนั้นมันไม่มีการเกิดใหม่เพราะ ม, มีการเกิดปุ๊บมันจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการของมันว่าแปลเปลี่ยน <ừ. S 2> เสื่อมแล้วก็ดับในที่สุดนะคะคลิปไข้ครวนตามวันนี้นี่เราก็ได้ความรู้หลายเรื่องเลยนะคะทํำยังไงถึงจะมีรัพย์มากทำยังไงถึงจะ มีปัญญามากเจริญ อ, อ น, นิจจังเห็น mm hmm. อ น, นิจจลักษ์อ น, นิจจสัญญานะคะแล้วก็อ น, นิสงค์คืออะไรอ น, นิสงค์คือหลุดพ้นได้ mm hmm. คือสิ่งที่ถ้าอาจารย์ได้พูดถึงว่านิพพานที่เป็นถาวร น, mm hmm. นั่นเองแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังได้แง่มุมของการปฏิบัติว่าสมถะกับวิปัสสนาไม่ได้แยกจากกัน เมื่อเจริญอาณาปานสติแล้วสองสิ่งนี้อยู่ปรากฏพร้อมกันเพียงแต่ว่าท่านจะเห็นหรือไม่เท่านั้นเองนะคะก็ต้องบอกว่าในแต่ละวันเนี่โอ้โหได้ความรู้เยอะจริงๆเลเพียงแต่ว่าท่านจะนําไปปฏิบัติหรือเปล่าถ้านอาจารย์คะวันนี้ที่ดิฉันตั้งใจว่าจะยกออกมาอ่านให้ท่านทั้งหลายเนี่ยหมายความจริงก็ยาวเหลือเกินทุกท่ต้องให้สั้นลงหน่อยเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่พระาศาสดาถือว่าเป็นความ อ, อัศจรรย์ก็แล้วกันนะคะและถ้าหากว่าอ่านให้ฟังแล้วท่านมีอะไรเพิ่มเติมก็ขอรัตนานะคะท่านผู้ชมที่เคารพคะท่าอาจารย์ได้ทำหนังสือหลายเล่มด้วนแล้วจะเป็นพุทธวจนะทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมที่อยู่ณที่นี้แต่เชื่อว่าท่านทั้งหลายสามารถเข้าใจได้เพราะว่าคาของพระพุทธองค์นั้น เป็นคําที่เกิดจากการที่พระพุทธองค์นั้นตรัสรู้และท่านก็สามารถที่จะนําเอาไปตรวจสอบได้ด้วยตัวของท่านเองค่ะสําหรับเล่มนี้เป็นผู้ทวัจนะชุดที่เรียกว่าปฐมธรรมเด็กๆ เ, เขาฟังก็เข้าใจกันนะคะเพราะว่าอย่างที่สาธิตเกษตรโรงเรียนเก่าท่านอาจารย์เนี่ยเป็นจุดกําเนิดของการที่คิดจะทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่ไปอ่านให้เด็กๆ เ, เหล่านั้นฟังก็ปรากฏว่าได้ผลค่ะทีนี้ที่จะอ่านให้ท่านฟังคือเรื่องที่ สิ่งที่พระศาสดาถือว่าเป็นความอัศจรรย์นั้นก็มีเนื้อความดังนี้นะคะพระพุทโธตรัสแก่พระอาอนนท์ค่ว่าอาอนนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงจําสิ่งหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้ไว้อาอนนท์ในกรณีนี้คือเวทนาเป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปสัญญา เป็นของแจมแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปวิตกเป็นของแจมแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปอานน์เธอจงทรงจำสิ่งอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้แหละตอนนี้ท่านผู้ชมเป็นพระอานน์ค่ะสิ่งอัอศจรรย์ ถ้าจะทําให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นอีกนิดหนึ่งก็คือการเห็นการเห็นสามอย่างนี้เกิดดับเนี่ยเป็นเหตุให้เข้าวิมุตต์หรือพลอได้ซึ่งก่อนจะพูดเรื่องนี้คุยกันเรื่องปฏิหารต่างๆซึ่งทุกเจ้าก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นอะไรที่น่าสัจจ์ก็มองเป็นธรรมดาเพราะมันยังช่วยให้เราเนี่ยพ้นแก่เจ็บตายไม่ได้ แต่พระองค์บอกอานอนท์เนี่ยให้จําไว้นะเนี่ยเป็นความอัศจรรย์ในจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆผู้เจ้าพูดหลายข้ออานอนท์ต้องจําอยู่แล้วแต่นี่ยังตอกย้าให้เลต้องจําน ะ, ะแล้วเป็นถึงผู้เจ้าเนี่ยมาอัศจรรย์อะไรอีกอก็คืออัศจรรย์เรื่องนี้นเพราะการที่เห็นเวทนาสัญญาวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยเข้ามรรคผลนิพพานได้มันเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตต์คนคนั้นเนี่ยกำลังจะได้วิมุตต์หรือคน นี่ก็คือความอัศจรรย์ที่พระศาสดาบอกออกมาและพวกเราก็ได้รับประโยชน์มาถึงขั้นที่ได้รับรู้ว่าอัศจรรย์ของพระพุทธองค์นั้นคืออะไรในช่วงเวลาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะวันนี้โดยพระอาจารย์คริสติกโตธิปโลท่านเจ้าอาวาสวัดนาปะาพงและมุกกาคลองสิบปทุนธา น, นีนะคะประมาณรื่อการขอบพระคุณท่าน พ, พร้อมๆกันค่ะ